4.7 สติอัตโนมัติสามารถช่วยเราตอนจะตายได้วงเล็บเปิด16พฤศจิกายน2549ในวงเล็บ2จุดจุดนาที9วงเล็บปิดพระพุทธเจ้าบอกว่าธรรมชาติของจิตไหลลงต่ำอย่าประมาเทเชียวนะไหลลงต่ำเร็วมากเลยเรานึกว่าเราแน่เพลอวแว บ, บเดียวลงต่ำถอยไม่ได้นะต้องสู้มีสติในชีวิตประจาวันตามดูกายตามดูใจ ตื่นนอนตอนเช้าหรือก่อนนอนตอนค่ำมีเวลาต้องทําในรูปแบบอย่างน้อยหนึ่งครั้งต้องทําให้ได้ชาวพุทธนะไหว้พระสวดมนต์ทําสมาธิเดินจงกรมวันละหนึ่งครั้งนะทําไมทําไม่ได้มุสลิมละหมาดวันละห้าครั้งเขายัางทําได้เลยวันละห้าครั้งนะของเราหนึ่งครั้งทําไม่ได้หรือต้องสู้นะกิเลสมันจะพาขี้เกียจถ้าเราทําในรูปแบบทําความสงบมาดูกายดูใจหัดดูสภาวะไปจิตหนีไปก็รู้ จิตไปเพ่งก็รู้จิตสงบจิตฟุ้งซ่านจิตเป็นสุขเป็นทุกข์โลภโกรธหลงคอยตามรู้เรื่อยๆการทำในรูปแบบเนี่ยเราตัดการกระทบอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายไปก่อนมาเหลือแต่การทำงานทางใจอันเดียวเช่นเรามาหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยใจเราหนีไปเรารู้ทันใจไปเพ่งรู้ทันเรารู้ทันการทำงานทางใจอยู่ที่เดียวเลยแต่อย่าไปเพ่งใส่จิตนะอย่าไปเพ่งใส่จิตใส่ใจ ให้เขาทำงานไปเรามีหน้าที่แค่ตามดูไปเรื่อยๆดูท้องพองยุบไปก็ดูจิตใจเขาทำงานไปเดี๋ยวเขาก็ไปคิดคิดกระทั่งคําบริกรรมนะบริกรรมว่าพองหนอยุบหนอนี่ก็คือการคิดนั่นเองก็ให้รู้ทันว่าจิตหนีไปคิดหนีไปคิดเรื่องอื่นเราก็รู้ทันแล้วไปเพ่งใส่ท้องเราก็รู้ทันนี่หัดรู้สภาวะนะต่อไปเวลาเราอยู่ในชีวิตธรรมดาเนี่ยจิตจะขยับขยือนเคลื่อนไหวอะไรนะเห็นหมดเลย เห็นอันตโนมัติฝึกหัดมีสติอย่างหลวงพ่อบอกนี่แหละถึงจุดหนึ่งนะจะมีสติได้ทั้งวันทั้งคืนตอนที่นอนไปแล้วยังช่วยตัวเองได้มีสติขึ้นมาช่วยตัวเองได้นี่สําคัญนะมันเป็นเองมันเป็นผลจากการที่เราฝึกเจริญสติตอนกลางวันเราจะเอาไว้ใช้ตอนจะตายความรู้อันนี้จะใช้ตอนจะตายเวลาที่เราจะตายจิตมันจะตัดความรับรู้กายออกไปก่อนนะแล้วมันจะไปรู้อยู่ที่ใจอันเดียวเราจะมาทกมากรรมฐานที่กายอันเดียว ระวังก็แล้วกันนะกายหายไปแล้วนาทีสุดท้ายไม่มีกายนะจะทําอย่างไรจะทํากรรมฐานอะไรต้องฝึกจนชํานิชํานาญเข้ามาที่จิตอัตโนมัติให้ได้เวลาคนเราจะตายมันจะเกิดนิมิต อ, อ, อันหนึ่งเรียกว่ากรรมนิมิตนิมิตถึงสิ่งที่เคยทําอีกอันหนึ่งเรียกว่ากรรมอารมณ์กรรมนิมิตนี่มันจะนิมิตไปถึงเรื่องราวที่เคยทําอีกอันหนึ่งเรียกคตินิมิตมันจะไปเห็นที่ไปข้างหน้าเนี่ยมีสามอันมีกรรมอารมณ์ กรรมนิมิตอารมณ์คตินิมิตอารมณ์รวมความแล้วก็คือมันฝันนั่นเองฝันไปถึงเรื่องราวที่เคยทำมาในอดีตเช่นคนหนึ่งหลวงพ่อเคยรู้จักพ่อของเพื่อนใจดีนะตอนหนุ่มๆเพื่อนมาบ้านทุกวันเลยมาสีซอกันเล่นปีภาคเล่นสีซอทุกวันจะสั่งลูกน้องเชือดไก่เวละตัวเลี้ยงเพื่อนเวลาจะตายเนี่ยเกิดนิมิตเห็นไก่เห็นไก่มารอยอยู่ข้างหน้าบางทีก็เห็นที่ไปข้างหน้าที่จะไปเกิด เกิดเห็นไฟท่วมขึ้นมาเลยเนี่ยจะไปเกิดแล้วในที่ไม่ดีแต่ถ้าหากฝึกสติเอาไว้จนชำนาญ น, นะพอเห็นไก่ปุ๊บใจมันย้อนดูจิตเลยมันเคยชินที่จะฆ่าไก่พอเห็นไก่ปุ๊บแหมมันอยากเชือดคอขึ้นมาสติเกิดวับเลยนี่มันอยากฆ่าไก่แล้วเห็นวับนิมิตนั้นดับไม่ไปเกิดเป็นตรงนั้นแล้วหรือฝันไปเห็นนรกนิมิตไปเห็นนรกปุ๊บกลัวสติระลึกถึงความกลัวปับ๊บขาดเลย นรกดับไปเลยทุกคนสร้างนารกของตัวเองนะทางใครทางมันฉะนั้นนรกไม่เคยเต็มอย่าเล่นเล่นนะไม่ใช่ของหลอกเด็กนะอย่าเล่นเล่นนะตอนไม่รู้ไม่เห็นก็พยองพอรู้เห็นก็คร่าครวญช่วยอะไรก็ไม่ได้เป็นภูมิที่ช่วยไม่ได้แล้วนะไม่มีใครเข้าไปช่วยได้เลยถ้าเป็นเปรตยังช่วยได้ถ้าเราฝึกสติเอาไว้ดีนะพอนิมิตไม่ดีเกิดปุ๊บขาดเราจะตื่นขึ้นมาจะไปสู่สุขติ ฉะนั้นสำคัญนะฝึกสติในชีวิตประจำวันจนมันอัตโนมัตินะกระทั่งหลับมันก็ทำงานได้สติปัญญาต้องฝึกเอาไม่ใช่เรื่องเหลือวิสัยนะ